นี่เป็นอีกเหตุการณ์ตอนหนึ่งของนายทองคำที่ได้เร่ร่อนไปเมื่อทำงานเป็นคนใช้สนิทเสมอด้วยเลขานุการของท่านเศรษฐีผู้หนึ่งครั้นเมื่อเศรษฐีนี้ได้สิ้นบุญไปแล้วนายทองคำก็ไม่สมัครจะอยู่ทำงานกับนายใหม่ก็เลยมาอยู่กับเพื่อ น, เ, อนเร่ร่อนหางานทำกันต่อไปผมได้อาศัยอยู่กับเพื่อนหลายเดือนหลังจากที่นายห้างได้สิ้นบุญไปผมก็อยู่กับเพื่อนไม่กล้าที่จะอยู่กับนายใหม่ ผู้มารับมรดกจะดีจะร้ายประการใดผมพอจะมีเงินมีทองใช้จ่ายอยู่บ้างโดยนายท่านให้ไว้ใช้เสมอแล้วก็เหลือเก็บไว้ทั้งเงินเดือนของผมก็มีได้ใช้จ่ายอะไรนักจึงมีเงินเหลือเก็บอยู่มากพอใช้แต่คนเรานี้ไม่ทำงานนั่งนั่งนอนๆอนๆอยู่เฉยๆจะได้หรือน่าเกลียดสำหรับวงสังคมไม่ว่าจะต่ำและสูงจะมีงานสูงงานต่าแค่ไหนเหมาะแก่ใจก็ควรทา ผมจึงเที่ยวหางานทำอยู่เรื่อยมาและความสมัครใจนั้นชอบอยู่กับท่านผู้ใหญ่สมัครรับใช้ท่านครึง่งครึง่งคนใช้ครึง่งครึงคร่งเลขานุการช่วยเบามือท่านเมื่อพอมีความสามารถจะทำได้ก็พอดีมีท่านผู้ใหญ่คนนึงจะเดินทางไปประจำต่างประเทศได้เมตตาผมจึงได้เขียนจดหมายให้ผมถือมาสมัครงานกับท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นเพื่อนรักกับท่านและเวลานี้ผมได้มายืนอยู่หน้าบ้านนี้แล้ว เอื้อมมือกดกริ่งที่ประตูบ้านสันติสุขอยู่สองสามครั้งแต่ยังไม่มีใครออกมารับผมก็เลยถือโอกาสมองท่ามกำแพงบ้านนั้นเพื่อสำรวจฐานะเห็นเป็นบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารบอกฐานะดีและบ้านข้างๆติดกันนั้นเล่าก็ดูมีฐานะดีเท่าๆกันอยู่ติดกันชั่วกำแพงกันบ้านที่ผมจะมาหานี้มองท่ามกำแพงก็เห็นสภาพของตึกได้ดีว่าใหญ่โตคล้ายวังเจ้านาย ชะตาผมหนีไม่พ้นบ้านโบราณใหญ่ๆแบบพระตำหนักเจ้านายตัวตึกปล่อยเถาไม้เลื้อยเกาะขึ้นเบื้องสูงเพื่อทำความเย็นหรือเล่นเป็นศิลปะชนิดบ้านเป็นสวนพฤกษศาสตร์ร่มเย็นมีศิลปะไปอีกแบบหนึ่งหน้าต่างตอนบนของตึกปิดไม่เปิดเหมือนบ้านใกล้เคียงผมนึกเดาถึงอุปนิสัยใจคอของเจ้าของบ้านว่าการไม่ทาตัวโออาคลืครื้นคงเป็นนิสัยมีนิสัยครั้นต่อวงสังคม ชอบอยู่แบบสงบคลุกอยู่กับตู้หนังสือนานาประเภทการปิดประตูหน้าต่างทุกช่องอาจจะไม่ใช้ตึกตอนบนอาศัยคงจะชอบอาศัยข้างล่างมากกว่าคงไม่ใช่มนุษย์เห็นแก่ตัวหรือเข้มงวดมัธยสิ์ผิดธรรมดาชนถ้าหากจะเป็นอย่างประการหลังการมาสมัครงานของผมเห็นจะเป็นลูกผีลูกคนเศะกระมัง ข่าว่าเจ้าบ้านนี้เป็นคนมั่งคั่งอยู่ใจคอไม่ค่อยดีว่าจะถูกสอบวิชาอะไรบ้างอุ่นใจอยู่นิดนึงที่จดหมายที่ถือมานี้คงจะทำหลักฐานได้ดีพอที่จะไม่ต้องสอบอะไรกันมากนัก น, นึกอยากจะแกะซองออกอ่านซะก่อนว่ามีข้อความว่าอย่างไรบ้างแต่ก็เกรงว่าจะมีพิรุธวัตถุกแกะแล้วก็ทั้งที่เสียมารยาทที่แกะซองจดหมายของผู้ใหญ่ที่ผนึกไว ดูในชั่วเวลาหนาทีซึ่งนานเหมือนสักหนึ่งปีก็มีเสียงถอดสลักประตูแล้วบานประตูก็เปิดออกช้าๆผมรีบติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยเพื่อให้มีสง่าบ้างเล็กน้อยที่จะตัดไม้ข่มนามนายประตูไว้ก่อนว่าฉันไม่ใช่คนของานต่ำๆทำนะจ๊ะแต่เอหน้าประหลาดจริงบ้านนี้ประตูเปิดแล้วไม่เห็นมีใครโผล่หน้าออกมาดูว่าใครมากดกลิ่งประตู ผมยืนนิ่งงันไม่กล้าจะโผล่เข้าไปแต่ครั้นรอคอยตั้งหลายนาทีก็ไม่ได้ความก็อดใจไม่ไหวก้าวผลธรณีประตูไปเหลียวซ้ายแลขวาหาผู้เปิดประตูเพื่อจะเจรจากันแต่ไม่ยักจะมีใครสักคนบ้าแปลกจริงบ้านนี้มีระเบียบอะไรของเขาผมยืนอยู่กับที่เรื่องที่ควรกลัวและต้องระวังที่สุดก็คือสุนัข บ้านใหญ่ๆแบบนี้จะไม่มีสุนัขย่อมเป็นไปไม่ได้และถ้ามีก็คงจะมีอย่างตัวโตๆเลยทีเดียวเข้ามาซิมีเสียงจากบนตึกร้องเชิญมาเป็นเสียงของชายห้าวๆดังกังวานออกมาผมสะดุง้งเลี้ยวดูตึกที่ใหญ่โตมีเถาไม้เลื้อยคลุมห้อยบางสายม่านคนภายนอกจะมองเห็นคนภายในได้ยากผมงงงันอยู่เป็นครู่เพราะไม่คิดว่าจะถูกเชิญจากคนบนตึก แทนที่จะเป็นคนเปิดประตูหรือคนรักษาสวนประจําบ้านเชิญมีแปลกๆเจ้าคนเปิดประตูแอบไปไหนซะให้เจ้าของบ้านมาเชิญเองผมว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเจ้าของบ้านแน่ๆเพราะว่ากังวานเสียงบอกบุคลิกว่าเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ผมค่อยๆเดินใกล้ตัวตึกเข้าไปอย่างช้าๆพลางแงนหน้าขึ้นมองไปตามเสียงที่ได้ยินภายใต้ร่มเงาของไม้เลื้อยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เฉลียงตึก ท่านผู้นี้มีอายุราวๆ50าปีเศษแก้มตอบตาลึกหวีผมเรียบปากคาบกล้องยาเซนลักษณะนี้คือเจ้าของบ้านแน่ๆผมยกมือขึ้นก้มเหนือศีรษะไหวยอย่างนอบน้อมท่านผู้นั้นก็ก้มศีรษะรับน้อยๆแล้วผายมือให้ไปทางบันไดที่จะขึ้นตึกผมก้าวขึ้นไปสุดบันไดก็ตรงเท่ากับห้องรับแขกพอดีแต่ว่าห้องนั้นไม่ค่อยสว่างมากนักแม้จะกว้างใหญ่เป็นห้องโถง แต่ประตูหน้าต่างด้านในปิดหมดผมเลี้ยวดูว่าจะมีคนใช้มาเปิดหน้าต่างหรือไม่แต่ก็ไม่มีเลยสักคนจนเสียงไอเบาๆอย่างเป็นหวัดของเจ้าของบ้านที่เดินตรงมายัางผมอย่างเงียบๆเจ้าของบ้านพ่นควันบุหรี่นิดหน่อยภายมืออีกให้ผมเข้าไปในห้องรับแขกห้องนี้มีเพดานสูงอากาศเยือกเย็นดีโตเก้าอี้ราคาแพงวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าเห็นฝุ่นจับอยู่กันทั้งนั้น มีภาพสีน้ำมันใหญ่ติดไว้ทุกด้านอย่างบ้านท่านผู้มีบรรดาศักดิ์แต่จะเป็นภาพอะไรนั้นมองไม่ถนัดเพราะว่าอากาศมืดถึมท่านชี้เก้าอี้ให้นั่งผมมองดูเก้าอี้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นนิดหนึง่งถ้าผมจะเอาผ้าเช็ดหน้ามาปัดก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าของบ้านถ้าจะไม่นั่งก็เข้าทำนองเดียวกันผมก็เลยต้องนั่งลงทั้งทา ง, งที่ฝุ่นเจ้าของบ้านก็ยังนั่งลงเก้าอี้อีกตัวเธอมีธุระอะไรจะถามช้าชา ดวงตาคู่โหลลึกและคมดังเหี่ยวจ้องมองดูผมอย่างจะค้นความจริงก่อนคำตอบผมไม่ตอบในทันทีรีบก้มตัวลงส่งจดหมายให้แก่ท่านท่านรับไปอ่านอยู่ครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมามองผมพร้อมกับยิ้มน้อยๆผมหลบสายตาที่แข็งคมแม้จะยิ้มที่เป็นยิ้มมีอำนาจหน้าเกรงขามเขาหน้าบอกความเป็นมนุษย์เลือดเย็นแต่เฉียบขาดเธอชื่อทองคำรึครับผม ผมตอบและก้มตัวลงเล็กน้อยเธอเป็นคนมีหัวใจมั่นคงดีหรือผมรู้สึกอึกอักบ้างเล็กน้อยที่ถูกถามดังนั้นไม่แน่ใจว่าความหมายประการใดจะหมายถึงเป็นคนซื่อหรือไม่ซื่อหรือใจคอเรือนเรทิ้งงานก็ไม่มือไวใจเร็วกระดับผมมั่นคงดีครับผมตอบไปทีก่อนท่านพงกศีรษะรับน้อยๆเมื่อไร่เธอจะมาได้ล่ะฉันอยากจะสอบความมั่นคงเธอสักหน่อยนึง ผมเริ่มหนักใจขึ้นทันทีจะถูกสอบความมั่นคงมันหมายถึงแค่ไหนวิชาแน่นหรือไม่แน่นกระมังเอ๊ะหรือจะอะไรยังไงกันกระแตผมมีความรู้น้อยขอรับไม่ทราบว่าจะเพียงพอจะรับใช้ใต้เท้าได้หรือไม่ผมตอบ ก, กันตัวเองไว้ก่อนอ๋อเธออาจจะนึกถึงหน้าที่กระมังที่ฉันพูดว่าจะสอบเนี่ยเปล่าเลยงานของเราไม่มีอะไรมาก เชื่อว่าเธอต้องทำได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันจะสอบอย่างอื่นเพราะเกรงว่าบางสิ่งบางอย่างเธอจะไม่กล้ารับหน้าที่ได้เหมือนคนก่อนๆที่ลาออกไปท่านพูดอย่างเคร่งครึมและตรึกตรองผมอึ้งอยู่และรำพึงว่าอะไรนะที่จะสอบและมีคนลาออกไปแล้วหลายคนอึดอัดใจมากอยากจะถามแต่เมื่อท่านผู้ใหญ่ไม่พูดก็ไม่เหมาะที่จะถามเป็นอย่างยิ่งเอาเธอเอาเธอ ถ้าเธอมาวันหลังเธอก็รู้เองว่าฉันจะสอบอะไรท่านพูดอย่างช้าๆตามนิสัยว่าแต่เธอมาได้เมื่อไหร่ล่ะท่านหยุดพูดแล้วก็จุดกล้องยาเส้นสูบพรุ่งนี้ขอรับผมตอบโดยกระหายที่อยากจะรู้ว่าจะถูกสอบอะไรรอไปนานวันก็กลุ้มใจจะสอบได้หรือไม่ได้ก็ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเออดีทีเดียวฉันก็ต้องการเหมือนกันเร็วได้ก็ดี เมื่อผมลาท่านแล้วก็ออกเดินทางมาตามถนนโรยกรวดหัวใจของผมยังฝังอยู่ที่ท่านเจ้าบ้านไม่รู้หายเป็นมนุษย์ที่แปลกและน่ากลัวซึ่งผมไม่เคยพบแบบนี้มาก่อนเลยใครๆก็พูดว่าท่านร่ำรวยแต่ทาไมท่านไม่บำรุงบ้านช่องให้สะอาดสะอ้านผู้คนไปไหนกันหมดถ้าผมจะโดนที่นั่งเลขานุ ก, การเถือนซะแล้วกระมังคือทาหน้าที่ปัดกวาดบ้านช่องเสร็จไปในตัวพระนั่งพูดคุยกับท่านก็หลายนาที ไม่เห็นมีวีแววของคนใช้ในบ้านเลยพอผมเดินมาถึงประตูกำแพงก็ชะโนใจถึงระเบียบและความเป็นอยู่ของบ้านนี้คนเปิดประตูรับแล้วหายไปเฉยๆครั้นขาจะกลับนี่ประตูก็คงเปิดอยู่อย่างเดิมไม่มีการปิดกันละผมก้าวพ้นธรณีประตูแล้วก็ออกเดินโดยไม่สนใจว่าใครจะเปิดประตูหรือใครจะปิดประตูก็ช่างเขาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงประตูปิดดังแอ้ ผมรีบหันไปดูทันทีเพื่อดูหน้าคนปิดประตูบ้าๆนั่นสักหน่อยว่ามันจะมีหน้าตายอย่างไรจึงทำอะไรแปลกๆอย่างนั้นแต่ผมดูไม่ทันประตูได้ปิดแล้วพี่กนบ้านนี้ผมนึกในใจแล้วก็เดินดุมๆกลับแต่เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าผมกำลังเข้ามาหาเวนใส่ตัวบ้านนี้ไม่มีคนแน่ๆนอกจากเจ้าของบ้านคนเดียวพอผมกดกลิ่งประตูเจ้าบ้านก็แอบมาเปิดเองนั่นแหละ เพราะกะเวลาดูหลังจากกดกริ่งแล้วมันนานนักกว่าประตูจะเปิดเจ้าบ้านต้องมาเปิดเองแล้วรีบหลบไปโดยไว้เหลี่ยมดูว่ามีคนใช้ที่แท้ตัวคนเดียวทั้งนั้นบนบ้านจะหาใครสักคนก็ไม่มีอิตานี่คงเข็มสมัดแต่อย่างไรกันแน่ผู้ที่มีเมตตาผมที่ฝากให้ผมทำงานก็บอกว่าท่านเป็นคนใจดีมากมันจะอย่างไรกันแฮ แต่ผมรับปากกับเขาแล้วดีชั่วก็ต้องมาผมไม่เคยท้อถอยและเสียคําพูดกับใครเลยพอถึงรุ่งเช้าผมก็ตรงมาบ้านนี้อีกและการเปิดประตูก็เป็นไปตามนั้นผมแน่ใจแล้วละ่ะว่าเจ้าของบ้านมาเปิดเองแล้วก็กลับไปนั่งวางท่ารับแขกอยู่บนตึกผมจึงดันบานประตูปิดเองแล้วก็ตรงขึ้นตึกเลยก็พบท่านเจ้าของบ้านที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกแล้วเธอมาตรงเวลาดีมากพ่หนุม่มท่านทักก่อนผมย่อตัวลงไหว้ท่านแล้วนั่งเก้าอี้ ท่านเสือกกล่องบุหรี่ให้ผมผมเปิดกล่องเงินใหญ่หยิบขึ้นจุดสูบฉันจะสอบเธอแล้วนะท่านพูดขึ้นเฉยๆแล้วลุกขึ้นยืนผมก็ลุกขึ้นบ้างทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าจะถูกสอบอะไรท่านเดินไปช้าๆและเบาด้วยรองเท้าแตะพื้นยางทำให้ไม่เกิดเสียงท่านขึ้นบันไดตึกจะไปชั้นบนผมก็เดินตามหลังไปอย่างช้าๆขั้นบันไดเป็นหินอ่อนมีลมพัดมาทางช่องบันไดยเย็นวูบคล้ายลมหนาว ในระหว่างที่เดินตามไปอย่างงงๆนั้นผมผ่านยายแมงมุมไปหลายตอนอะไรกันเนี่ยชั้นบนเจ้าบ้านคงไม่ได้ขึ้นเลยจึงเป็นแบบนี้แน่นอนที่สุดท่านอยู่คนเดียวในตึกที่ใหญ่ราวปราสาทนี้พอเราขึ้นสุดบันไดก็พบห้องโถงที่ไม่ได้ปิดประตูผมมองเข้าไปในอากาศที่สลัวๆเป็นห้องที่มีการตกแต่งอย่างประณีตมีกระนกฝรั่งตามข้างฝาเป็นบางแห่งมีช่อไฟติดตามผนังและเพดาน อยากยหายจับรุงรังไปหมดฝุ่นจับหนาเกละตายแน่ผมถ้ามาอยู่จริงไอเรื่องนี้เห็นจะเป็นผมแน่นอนแล้วท่านก็เดินนำผ่านห้องโถงไปแล้วเลี้ยวเข้าอีกห้องหนึ่งที่มืดตือ้อแต่ท่านรีบเปิดหน้าต่างโดยเร็วจึงมีแสงสว่างขึ้นสิ่งแรกที่พบก็คือห้องเก็บศพคุณพระช่วยลงศพอะไรกันนั่นทำด้วยกระจกวางอยู่บนเตียงมีที่บูชาทูบเทียนดอกไม้ที่แห้งแล้วอยู่ตามลงกระจกนั้น ทำให้เห็นศพภายในห่อผ้าขาวไว้และมัดตราสังแต่ตอนหน้าของศพไม่มีผ้าปิดจึงเห็นหน้าศพที่แห้งๆเขียวๆ เ, เหลืองๆคงจะฉีดฟอร์มาลีนไว้ผมพูดไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งเงียบด้วยความงงงนันนี่เองหรือคือข้อสอบของผมท่านจะสอบความมั่นคงว่าผมจะอยู่กับท่านได้หรือไม่ในบ้านที่มีศพเก็บอยู่ดังนี้มีหน้าล่ะท่านว่าคนก่อนๆลาออกหมด ก็คงเพราะเหตุนี้นี่เองนั่นคือพ่อของฉันท่านเจคุณพูดแล้วยืนถอนใจยาวอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินออกไปอีกห้องหนึ่งผมรีบเดินติดเข้าไปด้วยรังเกยียจการจะเดินอยู่ข้างหลังและห่างท่านมากนักโดยที่ในห้องนั้นมีศพอยู่และเป็นโงศพที่น่าเกลียดน่ากลัวมองไปก็เห็นศพนอนท่านเจคุณหันมามองผมอย่างช้าๆแล้วยิ้มอย่างรู้ใจผมผมยิ้มรับอย่างเศ้าๆรู้สึกอาย ที่ท่านจับได้ว่าผมกลัวเธอคงจะกลัวละสิท่านพูดผมยิ้มแห้งๆพูดไม่ออกเอาเธอยังไม่อยู่ท่านว่าต่อไปแล้วก็เดินนำผมย้อนกลับมาลงบันไดหินอ่อนกลับมานั่งอย่างห้องรับแขกตามเดิมคืนนี้ฉันอยากให้เธอนอนกับฉันที่นี่สักคืนหนึง่งเพื่อสอบความอดทนสอบความมั่นคงความจริงงานบ้านฉันไม่มีอะไรมากนะักแต่บ้านมีศบคาบ้านอยู่ คนบางคนจึงกลัวไม่กล้าอยู่กับฉันถ้าเธอมั่นคงพอพรุ่งนี้เธอไปขนของมาอยู่กับฉันได้เลยผมพูดอะไรไม่ออกแต่ความจริงใจแล้วก็เห็นว่าไม่เท่าไรการมีศพคาบ้านนั้นก็มีกันอยู่หลายๆบ้านเฉพาะที่มีฐานะมั่งคัง่งเขาก็อยู่กันได้แต่ต้องหลายคนหน่อยถ้าบ้านเล็กๆ ก, ก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าบ้านใหญ่แบบนี้ออกจะสะเทือนใจอยู่บ้างตามฉันมาท่านพูด ฉันจะให้เธอดูห้องพักของเธอผมลุกเดินตามท่านโดยไม่ได้คัดค้านอะไรเลยใจคอเลยลอยทำไมชะตาของผมถึงโดนเข้ากับผีีสังสางแบบนี้เสมอโดนมาบ่อยๆก็น่าจะเคยชินบ้างแต่ใจมันยังไม่แน่นอนการที่ไม่คัดค้านอะไรก็โดยว่าเกิดความอับอาย ลูกผู้ชายจะกลัวสีทุกเรื่องก็ไม่สมชาติเกิดก็เลยทําใจทื่อๆอย่างนั้นเองจะกลัวก็ไม่ใช่จะไม่กลัวก็ไม่เชิงเล่นท่าเล่นทีของชายชนิดท่าดีทีเหลวไปพลางๆก่อนค่อยคิดแก้ไขในภายหลังท่านพาผมเดินมาถึงห้องหนึ่งในห้องนั้นมีเตียงนอนโต๊ะเขียนหนังสือตู้หนังสือและเก้าอี้นอนพร้อมห้องนี้สบายดีเธอนอนเล่นไปก่อนเถอะฉันจะไปทางานทางด้านโน้น ค่ำๆจะมาพร้อมกันและรับประทานอาหารด้วยกันนอนเล่นให้สบายเถอะหนังสือในตู้มีอ่านท่านพูดแล้วก็จากไปโดยไม่ได้ถามความสมัครใจของผมว่าผมยินดีจะทำงานกับท่านหรือไม่ท่านโมเมเอาอย่างบังคับผมโคง้งศีรษะและตอบอ้อมแอ้มว่าเป็นพระคุณที่สุดครับผมพอท่านจะคุณหายไปแล้วผมทิ้งกายลงอย่างเก้าอี้ถอนหายใจอย่างอ่อนเพลียตั้งคาถามกับตัวเอง นี่ผมมาทำใหม่และอะไรจึงต้องมารับทำงานในที่นี้ไม่น่าจะให้เกิดความสุขแก่ตัวเองแบบนี้ล่ะไปแบกไปหามไปขุดดินไปทำถนนก็ยังทำได้มาหลงไอ้ตำแหน่งจอมปลอมแบบนี้ทำไมกันเลขาหนุการก็ไม่ใช่เพราะความรู้ไม่พอลงท้ายก็ถึงเถื่อนครึ่งคนใช้ครึ่งเลขาหนุการมาหลงตำแหน่งบ้าๆแบบนี้นึกไปคิดไปแล้วก็สำรวจดูห้องที่กำลังนั่งอยู่ ก็รู้สึกว่ามันเป็นห้องเกินฐานะตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาทั้งนั้นโต๊ะมุกเอย๋ยตู้มุกเอย๋ยเก้าอี้มุกเอย๋ยฐานะอย่างผมไม่เคยมีและก็คิดว่าคงจะไม่มีในชีวิตในขณะที่สำรวจห้องนั้นก็เห็นแวบๆจากหางตาก็รู้ว่ามีคนเข้ามาพอเหลียวไปก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งถือถาดเงินมีถ้วยกาแฟและขนมปังเดินเข้ามาช้าๆหน้ากลมๆไม่มองดูผู้แปลกหน้าที่มาใหม่ ยิงนั้นดวงหน้าซีดเซีดเส้นผมหยาบหยาบขอบคุณครับผมบอกเธอไม่พูดอะไรยิ้มน้อยนอย่าียงซีดเซีดเมื่อวางถาดแล้วก็กลับออกไปอย่างเงียบเงียบในที่สุดก็รู้ว่าบ้านนี้ที่จริงมีคนเหมือนกันไม่ใช่จะมีแต่ท่านเจ้าขุนเท่านั้นก็แปลกดีเงียบเหมือนไม่มีใครอีกเลยผมมองดูกาแฟแล้วก็ดื่มไม่ลงนึกรังเกียจไม่หญิงคนที่ถือถาดมามือของเธอซีดแทบจะเขียวทําให้ผมหวาดกลัววรนโรคที่สุด ก็เลยนอนอ่านหนังสือเล่นรอเวลาเจ้าคุณจะมาพบเมื่อท่านเสร็จงานแล้วเสียงผู้หญิงคุยกันบ้างเบาๆในห้องถัดไปทีท่าจะเกรงเจ้าคุณเวลาท่านอยู่ก็เลยพากันเงียบเสียงพอท่านไปแต่ทางอื่นแล้วจึงคุยกันแต่ก็ไม่ดังนักผมแงนมองดูเพดานห้องอีกทีเห็นเป็นยหยักย่ายระยะช่างกระไรคนที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคน แต่ทำไมปล่อยไว้ราวกับบ้านร้างเจ้าคุณก็ไม่ยย ก, กระดุว่าคนในบ้านที่เกียดคร้านอ่านหนังสือไปหยุดคิดอะไรไปความเย็นของตึกก็ทำให้หลับไปเสียงสุนัขกกราวสี่ห้าตัวเห่าและหอนกันอึงคนหนึ่งทางนอกตึกในห้องที่ผมนอนมืดสลัวจึงรู้ว่าหลับไปจนค่ำผมรีบลุกขึ้นขยี้ตารีบเปิดสวิตไฟฟ้าพอสว่างก็เอาผ้าเช็ดหน้าแทนการล้างหน้าไม่กล้าจะเดินยุ่มย่ามไปหาน้าล้างหน้า สุนัขส่งเสียงสักครู่จึงเงียบไปบ้านนี้คงกักสุนัข ก, กลางวันพอค่ำก็ปล่อยออกจากที่กักกันคนบ้านนี้แปลกๆสุนัขเอ็ดอึงตะกี้ก็ไม่ห้ามอยากย่ายดุงรังก็ไม่กวาดสักครู่ใหญ่ผู้หญิงที่เคยเอากาแฟมาให้ได้เข้ามาบอกว่าท่านเจ้าคุณคอยอยู่ในห้องรับประทานอาหารและท่านเชิญให้ไปรับประทานอาหารด้วยกันผมก็เลยต้องหยิบเสื้อนอกใส่ให้เรียบร้อยพร้อมกับเดินตามผู้หญิงคนนั้นไป พอถึงโต๊ะอาหารก็ชะ ง, งักนิดหน่อยเพราะที่โต๊ะนั้นนอกจากเจ้าคุณแล้วยังมีสุภาพสตรีหลายคนนั่งอยู่ท่านชี้เก้าอี้ให้นั่งผมก็นั่งลงตามท่านสั่งดิฉันเกรงว่านายทองคำจะไม่กล้ายอยู่นะคะคุณพ่อสตรีผู้หนึ่งในที่นั้นพูดขึ้นซึ่งฉันแรกผมไม่กล้าจะมองเธอเพราะว่ายังไม่ได้รับคาแนะนาให้ผมได้รู้จักกันเมื่อได้ยินคาพูดดังนั้นผมชักหน้าชาที่ถูกเข้าใจว่าขาด เห็นบ้านมีศพเขาหน่อยก็เลยปลอดซะความจริงก็รู้ว่ามีคนมากแบบนี้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะท่านเจ้าคุณหัวเราะฮึ่ึโดยไม่ออกความเห็นในขณะนั้นเสียงสุนัขเห่าและหอนขึ้นอย่างเยือกเย็นยิ่งกว่าเมื่อตอนแรกๆเสียงบานหน้าต่างชั้นบนปิดเสียงดังปังพวกที่นั่งอยู่โต๊ะอาหารมองตากันนิ่งเว้นแต่เจ้าคุณคนเดียวที่ก้มหน้ารับประทานอาหารอย่างไม่สนใจในสิ่งใดตัวผมเองก็เฉยเย เพราะคนใช้คนใดอาจจะขึ้นไปปิดหน้าต่างอย่างแรงไปหน่อยแต่พวกผู้หญิงนั่งนิ่งเงียบทําให้ห้องนั้นเกิดความเงียบเสียงนกกลางคืนร้องอยู่บนยอดไม้น่ากลัวชั้นแรกผมออกจะ ข, ดขาดๆอยู่บ้างแต่ครั้นมาพบสุภาพสตรีเข้าก็เลยอายจะทําขาดได้อย่างไรกันผู้หญิงยังไม่กลัวเราเป็นผู้ชายจะกลัวได้ยังไงมีหน้าที่จะต้องทําความอบอุ่นให้แก่พวกเธอถึงจะถูกต้อง ในระหว่างที่หยิบแก้วน้ำจะดื่มก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งอยู่หน้าเฉลียงตึกพอประเดี๋ยวก็ปรากฏภาพคือผู้หญิงคนใช้คนเก่านั่นเองวิ่งเข้ามาแบบหน้าตาตื่นกลัวโผเข้ากอดสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ที่โต๊ะผมสะดุ้งในเหตุการณ์นิดหน่อยเจ้าคุณก็พังะพวกผู้หญิงทั้งหมดตกตะลึงและงงงนันผมเองก็งงแต่เลียวไปหาผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งมาเพื่อจะค้นหาสาเหตุว่า อะไรที่ทำให้เธอตกใจวิ่งทันใดนั้นผมก็เห็นชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านเฉลียงไปคนแก่ผู้ชายครับผมบอกกับพวกผู้หญิงและท่านเจ้าคุณที่นั่งอยู่ในห้องผมชักนึกไหวถ้าเช่นนั้นคนแก่ผู้ชายที่เป็นคนเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ไม่มีแล้วใครเมื่อกี้ผ่านไปผมเห็นอย่างชัดเจนผมเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ก็เลยนึกถึงศพข้างบนถ้ารุนแรงแบบนี้ก็อาการอย่างนี้นี่เล่า ท่านเจ้าคุณถึงว่าคนที่มาสมัครอยู่ด้วยจึงลาออกไปหมดแต่ตัวผมนี่นะสิจะอยู่ได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้อาหารได้หยุดชะงักลงโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นพวกผู้หญิงจับกลุ่มรวมกันหมดผมได้มีโอกาสที่จะพิส ด, ดูโฉมทีละคนเธอสวยแทบทุกคนแม่น่าจะซีดเซียวเพราะตกใจกลัวแต่ก็ยังมีเขาความสวยอยู่มากท่านเจคุณออกปากว่าจะไปส่งพวกผู้หญิงทั้งหมดไปยังห้องของเธอ ครั้นแล้วเราก็พากันออกจากห้องอาหารผ่านห้องรับแขกไปยังอีกด้านหนึ่งของตึกนั้นผมเดินนึกไปในใจก็บอกว่าน่าสงสารผู้หญิงเหล่านี้จริงๆแต่ผู้ชายอกสามศอกยังปลอดสันพอถึงยังห้องห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับรั้วบ้านผู้มีอันจะกินอีกบ้านหนึ่งที่ต่อไปพวกผู้หญิงก็กรูเฮกันเข้าห้องหมดเหลือแต่เจ้าคุณกับผมสองคนเดินกลับมาเจ้าคุณสันศีรษะฉันละลำคาญจริงๆ อยากจะส่งพวกนี้ไปอยู่ที่อื่นให้หมดท่านพูดพลางเดินคลางผมไม่ได้ตอบว่ากะไรก็นึกอยู่ว่าถ้าพวกผู้หญิงไปหมดผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าพวกผู้หญิงอยู่พอจะกล้าอยู่ได้บ้างพอมาถึงห้องรับแขกเจ้าคุณก็หยุดจุดยาเส้นพ่นควันขมงแล้วก็พูดว่าคนที่เป็นเลขานุ ก, การของฉันทุกคนจะต้องกล้าเธอจะกล้าพอที่จะขึ้นไปดูศพข้างบนกับฉันไหมมีอีกหลายศพเลยละ ผมหมดเสียงตอบใจหายวูบอะไรกันมีอีกหลายศพอนิจจาเอ๋ยบัดนี้ในใจก็ยังไม่หายสันคลอนท่านจะชวนเข้าไปหากรรมอีกแล้วแทบจะร้องออกไปอยู่แล้วว่าไม่ขอรับประทานตำแหน่งนี้ตั้งแต่เกิดมานะศพก็ศพผีก็ผีโดนมามากแล้วต้องใจแข็งบ้างละและอีกอย่างท่านเจ้าคุณก็อยู่ทั้งคนก็พพ อ, อุ่นใจบ้าง ท่านแกร่งดีเหลือเกินสมกับเป็นผู้ปกป้องลูกสาวทั้งหมดได้เราเดินขึ้นบันไดหินอ่อนอย่างตอนกลางวันอีกครั้งผมแข็งใจเดินตามแต่ก็รู้สึกขนลุกเกลียวภาพของชายแก่เมื่อกี้ยังติดตาอยู่พอถึงห้องข้างบนเจ้าขุนก็เปิดไฟสว่างขึ้นก็รู้สึกว่าค่อยยังชั่วและนนำไปยังศพ บ, บิดาท่านก่อนผมมองขเขมงไปยังศพที่นอนอยู่ในโรงใจคอก็ไม่ค่อยดี เมื่อกี้ที่เออะกันข้างล่างน่ะพ่อฉันเองเด็กๆ ก, กลัวกันนักแต่ท่านไม่เคยทำอะไรใครเลยนะท่านพูดดังนั้นผมก็เลยชะงักเกิดกลัวเสียวเข้าไปในห่วงหัวใจเมื่อกี้ศพออกไปเดินให้เห็นแล้วกลับมานอนนิ่งตาแห้งเหี่ยวรู้สึกเสียใจที่หลวมตัวเข้ามาหาเคราะห์เจ้าคุณกวักมือให้ผมตามท่านเข้าไปอีกห้องหนึ่งผมเข้าที่คับขันซะแล้วถ้าไม่ไปจะอยู่ได้หรือในห้องนี้ ท่านเปิดไฟก็เห็นอีกศพเช่นเคยที่หน้าศพมีเครื่องบูชาและภาพถ่ายตั้งไว้ด้วยนี่ลูกชายคนโตของฉันท่านบอกผมดูภาพที่ตั้งไว้อย่างหนุ่มอยู่แท้แต่ทำไมอายุสั้นแต่ก็ไม่ใช่ธุระของผมที่จะไปถามทั้งที่ไม่สมัครใจจะรู้และไม่สมัครใจที่จะอยู่แต่ศพนี้ถูกใส่ในโลงทองทำธรรมดาไม่ทําลงกระจกผมถอนใจสะท้อนบ้านนี้เก็บศพไว้เป็นสุสาน มาอีกห้องหนึ่งก็มีศพอีกอะไรกันเจ้าประคุณเอ๋ยปราช้ามีก็ไม่รู้จักเอาศพไปเก็บกันเอามาสมมไว้อยู่ที่บ้านราวกับว่าเป็นโกดังนี่เมียของฉันท่านพูดแล้วก็สุดนั่งเก้าอี้ที่อยู่ข้างศพทำหน้าโศกเศร้าเสื่องซึมอย่างกับนึกถึงความหลังฉันต้องมานั่งอยู่ห้องนี้นานๆเสมอท่านพูดผมไม่ได้ตอบแต่ผมรู้สึกหนาวราวกับว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาว ท่านเดินต่อไปอีกห้องผมต้องเป็นช้างเท้าหลังและจะแยกกับท่านก็เห็นจะขาดใจตายจะหนีลงไปข้างล่างก็มีศพอีกหลายศพที่ต้องผ่านก็จะต้องช็อกตายซะไม่ห้องใดก็ห้องหนึ่งท่านพาต่อไปอีกห้องเอา้าไปไหนไปกันมันเข้าลึกแล้วเนี่ยเราเอ๋ยตายก็ตายหมดเรื่องไปห้องนี้มีห้าศพทุกๆศพวางเข้าระเบียบดีและก็มีรูปถ่ายประจาไว้ทุกลงเจ้าคุณยืนนิ่งมีอาการสลดใจ ส่วนผมเข้าไปดูภาพถ่ายเพราะเห็นเป็นผู้หญิงทั้งนั้นพอเห็นหน้าภาพของผู้ตายมือเท้าอ่อนหัวใจระลิกแทบร้องออกมาดังๆกรำอะไรของผมเช่นนี้ทุกๆภาพนั่นคือผู้หญิงที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารเมื่อกี้ทั้งนั้นเจ้าคุณฉวยมือผมออกจากห้องนั้นไปทันทีไปอีกห้องหนึ่งหัวใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะแล้วบัดนี้ลมออกหูดังวิทวิหมดความบังคับตัวเองตัวเหมือนไม่ใช่ตัว ถูกจูงไปเหมือนคนถูกเข็นใบไม่มีความรู้สึกว่าเท้าเดินไปหรือลากไปห้องใหม่ก็มีศพอีกผมอยากจะร้องว่าได้โปรดเถอดใต้เท้าผมจะตายอยู่แล้วแต่ร้องไม่ออกไม่รู้ว่าเสียงหายไปไหนหมดเจ้าคุณหยุดนั่งในห้องนั้นอีกและชี้ให้ผมดูภาพที่อยู่ในกรอบทองพอดูปราดเดียวผมก็ร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยลูกถึงขั้นสุดแล้วช่วยด้วย ภาพนั้นก็คือภาพของตัวท่านเจ้าคุณนั่นเองผมเซไปติดผนังอีกด้านหนึ่งเจ้าคุณนั่งหันหลังให้นิ่งราวกับปูนปั้นแต่บัดนั้นร่างของเจ้าคุณได้จางหายไปเหลือเพียงผ้าดำผืนหนึ่งแขวนอยู่ที่พนักเตาอี้ผมแผดร้องจนเสียงดังคับตึกโดยพุ่งตัวออกหน้าต่างกระจกเป็นตายไม่นึกถึงแล้วหน้าต่างกระจกทานไม่ได้แตกเสียงดังโครม ตัวผมร่วงไปบนกันซาดข้างนอกแล้วกระท h อนร่วงไปลงน้ำทางบ้านติดกันและผมก็หมดสติเหตุการณ์ต่อมาเป็นดังนี้คือคนทำสวนสองคนในบ้านโน้นได้ยินเสียงผมร้องให้ช่วยเขาก็มายืนดูกันแต่ก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่หน้าต่างกระจกนั้นดำมืดอยู่ธรรมดาที่เคยเห็นแล้วก็มีร่างของผมพุ่งออกมาแล้วก็หล่นลงน้าเขาทั้งสองคนยังยืนงงงันเป็นชั่วครู่ เมื่อเห็นผมจะจมน้ำตายในคูบัวนั้นขาวทั้งสองจึงได้ช่วยกันฉวยข้อมือผมดึงขึ้นมาคนในบ้านนั้นอีกหลายคนได้ช่วยแก้ไขให้ผมจนฟื้นตัวผมได้พยายามเล่าความให้ฟังตั้งแต่ต้นทุกคนตาโพลงแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปดูทางตึกนั้นอย่างเสียวสยองผู้หนึ่งในจานวนที่ล้อมผมอยู่เล่า ว, ว่าท่านเจ้าคุณผู้เป็นเจ้าของบ้านตายตั้งแต่สามเดือนที่แล้วทางลูกเต้าและเมียเก่าตายมาก่อน ก็เก็บศพไว้ทั้งนั้นพอท่านตายเมียน้อยก็ทนอยู่ที่บ้านนี้ที่เก็บศพไว้เป็นสุสานไม่ไหวจึงพากันย้ายไปพักที่อื่นบ้านปิดประตูลั่นกุญแจไว้นานแล้วตั้งใจจะรวมกันเผาในปีหน้าในที่สุดผมจึงรู้ว่าผมเข้าบ้านผิดบ้านที่ผมจะมาสมัครงานนั้นที่แท้ก็คือบ้านที่ผมร่วงหน้าต่างลงมานี่แหละหลงเข้ามาผิดบ้านเพราะดูป้ายชื่อไม่ทั่วชื่อเจ้าบ้านเหมือนกันแต่ส้อยนั้นผิดกัน ดูแต่ชื่อแล้วก็มั่นใจว่าใช่จึงต้องเป็นเลขานุการผีจนแทบเอาตัวไม่รอดอยู่ๆก็แส่เข้าไปหากรรมใส่ตัวเองแท้ๆ